เยา่ยเข้ามาใกล้กันนะได้บอกอยู่มือทำไมไปไหวพาไห้เจ้าฟังเทศฟังกัังอยู่ใส่ใจเรื่องหลวงตบุรีพอดีเราต้องเข้ามาใกล้ฟังกันมือเนยเม็นันที่สิบสองวันี่สิบแลดับคำมือแลดับคำหรืสามเนาะ เมือ่อวานเขาเรียกว่าเป็นวันพระหรือวันศิลป์ตามธรรมนียมปฏิบัติของคนโบราณ ว, วันนี้ม า, าถือว่าเมื่อนีนเป็นวันสําคัญวันนึ่งคำว่าวันสาคัญนี้สําคัญจังไรสําคัญเพราะว่ามันมัดไปชีวิตของผชีวิตของผมมันมัดไปกับ โบ้เป็นได้หมดไปอย่างที่เงาโพเนี่ยคือว่าอนุจากปีแล้วได้เท่านั้นปีสามีปีแต่มั็นหมดไปนั่นปีสามีปีในโลกกับี่ยคืเมื่อพูดถึงตอนนี้กะอยากพูดถึงเรื่องวิธีปฏิบัติธรรมมาสู้กันคันเมื่อหลวงพ่อตายแล้วกับหลวงพีน่น้อยผมพงปู่โดยบางทีอาจจะบุญหลวงปูดเรื่องนี้อีกด้วย เงาะพ่อเคยไปหลักสำนักไปเบื้องกู่วางจากหลายอง <c oughs> ธรรมดาแล้วคนมีกลุ่รู้ท่าไหต่ต้อ ง, ง, งรอจกังหวะอโบกไฟคือกันแลวคนใหม่นั้นก็ก็คือกันหรือว่าคนใหม่ที่เป็นเดียวกันกระบบจับได้ทีที่เงาพ่อนี่เราเรื่อยๆแต่ว่า บางคือการว่าวกับชิ้นกับซีผสมประสานกันเมื่อนี่แต่ีฬาให้ฟังเป็หนหัวข้อไปโรงเดียนวิธีปฏิบัติธรรมะแบบหลวงพ่อที่นำมาใจในชิวิตของพอหรือหลวงข้อไปศึกษาบวกเกี่ยวข้ออย่างทั้งหมดเลยการให้ทานการรักษาสิ่นั้นดีแล้วหากไม่ด้เกี่ยวข้องอนยะ่าง การเจริญสมถะอมตะก็ตามโบได้เกี่ยวข้องเรื่องไหนแต่ดีแล้วเห็ุโบ say ว่ามันโบดีหรือโบเกี่ยวข้องนะโบดีบอกว่าโบเนี่ยดีแต่มันโบเป็นเรื่องนี้เรื่องที่เนี่ยเพราะว่านี่มันก็บโเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมันคนละเรื่องกันดังนั้นทําไมจึงว่ามันเป็นคนเรื่องอันนั้นเหมือนเว้นเรื่องเหตุไถหามข้นจัดเหตุโมหะจัด เรื่องทำบุญเรื่องให้ทานรักษาสินเนธปาตนาเอาตายเลยที่เขานึกกรรมฐานก็คือกันต้องเป็นนั่งให้มันสงบสุขคนมันนะบุกเรื่องอันนี้อันนี้บอกโนบุกเกี่ยวขอเดี๋ยวนี้มันต้องได้เดียวนี้บุญถ้าทำชั่วเดียวนี้มันก็จะเลยไปจบนรกอยู่างนี้วันนี้ทำคนสงบเดียวนี้นี่ก็สงบเดียวนี้โบต้องไปนั่งแบบ บทต้องเป็นน่งอยู่คนเดียวอยู่ในการประชุมคนนั่นแหละคนมากๆนนแหละคุณผู้ชมมันมเป็นเ่มันมีวิธีเหตุครับผมบทเมื่อวิวาสึกึแล้วเป็นรุ่นมียะพ่อทีแรกกับบุหุจักเมื่อยะพ่อมาเ จ, ปปจเริญสติจเจริญสมาธิเจริญปัญญาอันนี้วิวาตามคุบาอาจารย์ว่าจเจริญสติปปจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา ว่าตามภาษาของหลวงพอวานันต์ให้ทำความรู้สึกตัวนี่แหละทำความรู้สึกตัวทําความตื่นตัวนี่แหละให้ย้ำนะว่าทําความรู้สึกตัวทําความตื่นตัวนั่งแล้วก็เอามือวางคิกมือขึ้นให้มีความรู้สึกให้มีความตื่นตัวพว่มมือลงก็ให้มีความรู้สึกมีความตื่นตัวยกมือไปเอามือมา เดินหน้าถอยหลังให้มีคมรู้สึกที่ผีมซื่นตัวอันนี้เลยคนของมันเกิดขึ้นมานที่เฮบได้เกี่ยวข้องอย่างทั้งหมดเฮ็ดเท่า น, นี้แหละแต่ว่าตั้งใจจริงๆถ้าหากโบตั้งใจเสียแล้วสิ่งนี้จีบโบปรากฏเลยทำไมจิโบปรากฏยอดเฮ็ ด, ดมันโบติดต่อกันมันโบได้ตั้งใจมันก็บอปรากฏแล้วเฮ็ดให้มันจริงๆให้มันติดต่อตั้งใจจริงๆปรากฏเล เรือนี้จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากที่สุดมีเงินหลา ย, ลายๆบ่ให้จิได้บ่เสร็จบ่เป็นเรียนรู้สูงๆนะบ่ทำอย่างนี้ที่ได้บ่เป็นบ่บ่เป็นบ่เป็นทั้งเมื่เนี่ยพ่อคํานวณตัวเองอันเนี่ยแล้วเมื่อรู้เห็นเป็นแล้วเอาให้ผู้อื่นได้บ่ไรอีกเมื่อรู้เราลู่เราเห็นเราเป็นแล้ว สมงวนบโให้ผู้อื่นรู้นาให้เขาทําตามที่สมงวนได้บเสนอโให้เขารู้เป็นบัตโบใดทำทุกจังหวะต้องเป็นใเนเรี่ลงนี้เป็นอะไรถ้าโบาทุกจังหวะโบเป็นโบรู้อันนี้เป็นวิธีที่สําคัญทําให้เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งเกิดความเห็นจริงเหขงงขงง็ของจริงไม่ของบบจริงวยธรรมของจริง จริงโดยสมมุติจริงโดยปรมาจริงโดยอัถาจริงโดยอริยะบัญญัติเนี่ยอันนี้เปรียบให้ต่างคือต้นไม้ต้นไม้มันมีเปลือกและมีกระพีมีแกนมีแกนแล้วก็มีจ ก, กงของมันต้นไมอันนี้ก็คือการบ่ได้เกี่ยวก็กับการให้ฐานรักษาจิตจิวากันเรื่องการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาและทำความรู้สึกตวอันนี้ ทำความรู้สึกตัวนี่มันมันรู้เหตุรู้เข้ารู้เข้าความบ ร, รู้มันหนีไปนาําความบริู้มันหนีไปนาํารูปมางๆขึ้นมามันก็เลยรู้เรื่องรูปเรื่องนานี้เองอันนี้เป็นเปลือกอ น, นีรยังบุไม่เป็ี่ยนกะพริมสมมติให้นปะรูปน้ํามรูปทำนามทำรูปโลกนาโลก แล้วก็ทุกขังอนิจจังอนัตตาสมมุติศาสนาพุทธศาสนาบาปบุญรู้อันนี้ก่รู้อันนี้แปลว่ารู้เปลือกมันเปลือกไม้นี่เขาเบื้องมันทีเห็นโลติดแต่ว่าเขาไปจับมันขายมันที่เป็นยังไงเขาบูมุจจักเนื้อไม้เปลือกไม้มันกินอาที่บากเขบูมุจจักเขาอยู่ที่มองเห็นแล้วเห็นเปลือกมันจะเห็นอันนี้ให้เขาใจว่าเรารู้เปลือกมันอันนี้ แต่บางคนจะหาว่าตัวเองรู้ธรรมารุดซึ่งผูกเพราะควมเห็นของปุหันคิดไปแล้วแต่เมื่อรู้อันนี้แล้วมีผมรู้อีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นมาลืมตัวไปแล้ววันี้มีแต่เบาเรื่อยๆไปอันนี้เป็นกฏจักรว่าให้ฝังเป็นหัวข้ อ, ย, นะอย่าไปลกให้มันรูกออกไปนอกตัวพอดีมันลูกออกไปนอกตัวแล้วมาทําความรู้สึกตัวแยงแรง ทำแหง้ว่าบัดบ้านอย่างพอวาบุ้มเป็นทำเล่ๆอย่างนี้ทำให้มันแหงประตุกเข้าไปนแหง้งมันจะรู้สึกตัวทางพี่เมื่อรู้สึกตัวทางพี่มันโบออกไปทางนอกเฮ็ดค่อยๆมันมันออกไปมันปมเคยสิ้มันมีเน้บันนี้เขาเฮ็ดแหง้งแล้วมันเข้ามารถมันบุ้เป็นปมเคยสิ้นเนสแหง้เป็นอย่งเมื่อเห็นรู้เข้าใจกับปมรู้สึกเคลื่อนไหวนั่นดีแล้วสิน เขาจะเห็นกลมคิดมันบ น, น้กลมคิดมันหู้แต่คนมันโกหกเมื่อเห็นกล ม, มคิดแล้วบั น, นี้กลมคิดมันจะสั้นเข้าสั้นเข้าเป็นวิธีลบให้วาสนากลมคิดนั้นสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้ารู้จักวัตถุเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้โดยวัตถุบารมมะอาการหรือโทสัมโมหโลภ เวทนาสัญญาสังขารวิญญารู้อันนี้รู้อันนี้คลายคลายถึงออกไปเปลือกอะไรไ ป, ปยีเข้าไปหาเนื้อหม่ธรรมดาเปลือกไม้นี่มันถ้าเป็นเปลือกโเปืเอ่อยในบ้านเนี่ยพอมันโคเอาผู้เดียวกันถ้าฟันเปลือกมันออกไปแล้วเขาไปจับเนื้อหม่มันที่โบโคเลยดังนั้นคนปฏิบัติธรร ม, มเมื่อรู้จักเพียงรูปนามนี่จริงว่าสามารถไปทํำขมผิดได้ทํำขมั่วได้ เพราะมันดรียถึงเนื้อแท่ดินั่นนั่นกินว่าให้ตังอกตังใจอยากเข้าใจว่ารูรูปนามเรื่องศาสน า, ศาบาปบุญแล้วมาเจ้าของเข้าใจธรรมะย่างลึกซึ่งโบมเมนแต่ผู้อื่นอาจิะแม่นก็ได้สำหรับผมไปศึกษาและปฏิบัติมาโบเมทีแรกคุณก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นเนื้อแท่แล้วเมื่อมาทาไปตอนเย็นผมรู้จักคาโอนั่นมันเป็นเปลือ นี่เป็นเนื้อมันเนี่ยออกเปลื อ, ม อ, อ ก, กมันออกได้เหมันเห็นความคิดเมื่อเห็นความคิดอันนี้แหละโสะโมหะโลภะจางลงๆจางลงให้ว่าจืดลงมันโบแหล่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโบเป็นทุกข์อันนี้รู้จักค่วมเป็นพระปรากฏเกิดขึ้นในใจิตใจของตัวเอง นื่งการเกยขาสั้นขาหยาวอยู่กับ น, นึกว่าตัวเป็นพระได้แล้วมันพระหมายถึงบุคคลผู้ที่ประเสริฐบริพพระยังที่หยาพอบวตอยู่ทในนี่โบเหียนมันพระอ น, นั้นมันเป็นมาตั้งแต่โดยตัวธรรมชาติของมันจิตใจมันเป็นเองนี่เป็นภระเกิดขึ้นที่ตรงนี้เมื่อความเป็นภาะเกิดขึ้นพาะกับเทวดาเป็นยังไงพระมี คุณภาพดีกว่าเทวดาเทวดานั้นบุมีคุณภาพเทา่าพระรู้จักเลยเมือม่อรู้จักกัเส้นในขณะนั้นไม่นานเดินไปคิดว่าบาถึงสามนาทีนี่หละขันยังมาปาจี่บถึงก็ได้ปุ๊บปั๊จิตใจมันเตี้ยนขึ้นอีกระดับหนึ่งในระยะนั้นขันจีว่าตามตัวหนังสือ ป, รรปึกเอิ้นปฐมมาามทุกิยา ทีแรกเจ้าของมันเจ้าของรูรูปน้ํานี่ว่าเป็นปฐุมมสสานโบมีเมื่อเข้ามาเข้าใจตอนนี้แล้วโอ้อันนี้มันเป็นปฐุมมสานไม่ถึงทําลายหรือว่ารวมจืดจางไปของโพส่าโมอะโลพาเนี่โอ้นี่เป็นปฐุมสสารแล้วเนี่มันนี่พอดีอันครั้งที่สองนี่ก็เห็นหู้เข้าใจ สัมผัสได้จริงๆกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมนี่อันนี้ก็จางลงไปโดเนเมื่อนันนี้จางลงไปเข้าใจว่าโอ้นี่เป็นผู้ปิดหน้าตาไปเสอยแล้วบเข้าใจกัน จ, จริงๆถึงจะเรียนก็เข้าใจบวเรียนก็เข้าใจเพราะของจริงมันมีอยู่ในเรานี่วิธีปฏิบัติธรรมะคุณค่าของการทำผมรู้สึกนี่บวเป็นอย่างอื่น ดังนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่งจึงสอนเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตอันนี้เป็นพระเดียวกันในน้อ ย, อยเมื่ อ, อยังบ่รู้บ่เห็นยังบ่เข้าใจเรื่งการมีความทุกข์คือกันเราตถาคตก็คือกั น, เ, น เ, เมื่ อ, อยังบ่รู้บ่เห็นเราก็เป็นทุกข์คือกันเพราะเสาะแสแฉะหาอยู่ เมื่อมาลู่มาเห็นแล้วสัตว์ทั้งหลายสัตว์มนุษย์เด้กผมไม่สัตว์ในร่าเ้สัตว์มนุษย์นี่เป็ว่าสัตประเสริฐการลู่ก็เห็นคือกันกับเราสถาบันี้บัณฑิตพินไว้คือเราไปถึงแล้วแหงนั้นแหงใดบุคคลจับเมื่อเราไปถึงที่นั้นแล้วเราก็นํามาสอนพวกเธอ อ้าหาพวกเธอประพฤตปฏิบัติอย่างเราตถาคตนี้จะรู้อย่างเราตถาคตนี้บุรูษอย่างอื่นรู้อย่างอื่นบุน ม, มุษปฏิบัติอย่างเราตถาคตเพิ่วมาไปสภาพสภ า, สภาวะดั้งเดิมคือกันมดผู้หญิงผู้ชายคือกันมดเจ้าหัวไอจัวคือกันมดคนซาดใดถือาศาสนาใดกระทำสร้างเป็นคือกันมดหนึ่งภาษีใดกระทำสร้าง แต่ให้รู้ภาษากันนะที่สุดได้หลวงพอแทบูรู้ยังภาษาจีนนี่กับบรู้ส่วนบูดได้ได้หลูงพ่อส่วนคนจีนท้าบูมาเฮียนเป็นภาษาไทยทุกอนยางที่คนอังกฤษหรือฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยพอส่วนบูได้จะว่าได้แต่เฉพาะคนไทยนี่เนี่ยคนไทยนะหฮะบูรู้จักภาษาเมืองเลยจริงๆก็รู้จักน้อยๆ น, นี่แล้วเ่ ย, ยพอพูดภาษากลางบูเคยเปลน ถ้ารู้จากภาษาเมืองเลยเท้สอดใด้แท้อันนี้แหละเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาและควรปฏิบัติรักษาหน้าที่การงานของเราได้จริงจริงจะหมดทุกได้จริงๆเรื่องนี้แบบ น, น, นี้เมื่อเขาจเจริญ น, นังีแล้ลวบัวว่วาแล้วเลิกไปนอนกระทำไปต่อไป อันนี้เป็นเป็นซองพักลนลยเป็นซองอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าปฐมมาสารผู้ตีนสารเกิดขึ้นแลก็ได้อันตำร า, านั้นว่าอยู่คุณเนี่ยปฐมมาสารนี่นคือพระอริยบุคคลนั่นคือวิตรวิจารมีตีตีตาาอันนั้นมันทูกอยู่ทูกข์ตามตำราคุณได้นลยบูมิ้นเห่าได้หนึ่งตำลาเว้าได้หนปฐมาามาสามาม่ทึงทำลายโทสะโมหะโลภนี นี่ประมทมมาสานผู้ติยสานหมายเทิงทำลายความยึดมั่นถือมั่นนี่นี่ตัวจริงมันอันนี้ที่ว่า น, นี่รับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นพวี่เนี่ยถ้าหากว่าทำลายอันนี้ได้เวาว ซ, ซ, ซื้อเหรียญรูกับเหรียญรู ซ, ซ, ซื้อโบนี่เมื่อทำลายโสะโมหะโลภจื้จางไปแล้วกิเลสตัญหาอุปทานจื้จางไปแล้วนี่แหละ ผลกมาสาทุกติาการมาอยู่ที่ตรงนี้วันนี้สิ่งปรากฏสิ่งที่เป็นเครื่องกําจัดกิเล็อย่างหาายาบคายคาคือเ่าจักผ้าเอาผงไปใส่ผ้าแล้วเอาน้ําไปใส่แล้วกับคนเขาเป็นถั่วแล้วผ้าเสบานแล้วไปลางนานๆเขามันผ้าเอาที่สปกปร ก, ปกมันจะลื่นออกอันนี้สมมุติให้ฝังเป็นอ่า ผู้บุเข้าใจเดี๋ยววอรให้ฟังเดี๋ยว น, น, นี้นี่มือตื้ออยู่จากอยู่ธใส่ผู้จักได้ดีถ้าหากผู้ใดผู้จักแบกนี่แล้วเข้าใจเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอย่างกว้าเนี่ยบัดนี้สินปรากฏขึ้นมาแล้วบนี้สินนั่นคือว่าโบเมนสินห้าสินแปดสินสิสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยบเมนเนี่ยบเมนสินสินนี่หมายถึง ตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาตัวเป็นปกตินั่นแหละเป็นตัวจริงอันใดมาแต่ต้องเข้ามารู้สึกรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เขามักความสงบเขาไปทํากรรมฐานมักความสงบเลยรู้เลยนี่สมาธิกับจักรกิเลสอย่างต่างแล้วบบอันตัวสมาธิตัวสงบนั่นเป็นกิเลสเนี่ยขันว้าแบบเยี่ยฟัวเบลเดี๋ยวนี้เนี่ย แล้วผู้อื่นหักที่ผิดใจกันย์เฉพาะความจริงให้ฝังอันควรผิดใจนั้นเป็นยันในมันทุกเลนิฮันเนี่ยฟังให้ดีมันก็ได้ปัญญาขันฟังบูดีแล้วมันได้ทุกไปเพิ่นว่าให้ฟังซื้อซื้อเจ้าของใช้เปยึดมันถือมั่นให้หนังเพิ่นว่าความจริงให้ฟังสงบในจึงมีอยู่สองอย่างสงบแบบโบห้วนเนี่าพอเหตุมาแล้วตั้งแต่อายุสิบเอ็ดปีพุนมา จนถึงอายุ46ปีเฮ็ดสงบอันนั้นมานึกว่าอันนั้นมันไม่ผูกต้องแล้วเมื่อมาเฮ็ดอันนี้แล้วโอดโอยมันไกลกันผูกผันฟ้ากกับดินขันเราอย่งสิปั้นโตวออย่งสั้นการทาลายพุทธศาสนาแล้ววา่าบ่เมงทาลายเจ้าว่าเอาซื้อแต่ค่อยที่มันถูกต้องแล้วเจ้ากะว่าค่อยผิดก็ผิดเจ้าเถอะๆไปแต่ว่าค่อยถูกต้องเจ้าว่าเจ้าถูกต้อนั้นูกโยกของเจ้าอ่ะ ทุกเบียบของเจ้าบรได้ทุกเบียบของใค mm hmm. อย่างพอเข้าใจอย่างนี่ไพรสิว่าท่านจะกระทำสางนั้นสงบอันนั้นเปน็นนางอยู่ผู้เดียวดูลมหายใจอย่างพอเห็นแล้วมันนั้นลงลงต้นลมหายใจลงปลายลมหายใจเกิดสงบเงียบไปเลยรู้สึก น, น้อยบางทีบริรู้สึกตังบางทีรู้สึก น, น้อยเป็นอันสัน่งแหะอยู่ อ น, นันบุนแดสงบแบบนั้นทําการทํางานบัได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาบัวเป็นซื้อขายบัวเป็นอถ้าหากเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันกระโบงรู้จักว่าผู้ลายมาทําลายลัทธิดอของตัวเองถ้าหากเป็นครูไปสอนโรงเรียนกรบโบได้ไปสอนนักศึกษากรบโบได้ถ้าเป็นตำรวจทหารรักษาประเทศชาติบ้านเมืองปรากผู้ลายกระโบได้คงเป็นนั่งหลับตาอยู่ได้มันจะได้จังไรหนึ่งจึงว่าหลับรองว่ามันคูกแบกนั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนนั้นความสงบแบบพระพุทธเอ้าสอ น, น, นให้เอาไปใส้กับการกับงานได้ทุกอย่างคุ่นคนธรรมดาเฮ็ดให้เฮ็ดนาซื้อไข่ปลูกผักปลูกงากรให้มันสงบไปคุ ณ, ค, ณคืนวันนี้ครูโรงเรียนไปสอนหนังสือให้เด็กน้อยก็ให้มันสงบไปอยู่เป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันไปเบิบร์กลาดสรทะเลาะผิดเพีเ้ยงกันก็ให้มันสงบไป เป็นตำรวจทหารก็คือการไปจับผู้ล่ายไปปราบศัตรูก็ให้มันสงบไปเป็นรัฐมนตรีเป็นนายยกเป็นอะไรก็ให้มันสงบไปนี่พยะยอดนิสสตรเนีความสงบแบบนี้แหละเขาบอกเข้าใจเมื่อเขาบอกเข้าใจแล้วก็ศึกษาหลักพุทธศาสนาจึงทําให้มันยาวให้มันยุ่งของสั้นๆไปทําให้มันยาวของง่ายๆไปทําให้มันยาว ของสะดวกสบายไปทําให้มันนุ่มขึ้นมามันก็เลยยุ่งขึ้นพวกของปศึกษากันเลยบูถูกบอกเข้าใจเป็นตัวเงตั้เมื่อรู้จักความสงบนี่แหละสงบแบบนั้นบูดบกแล้วมสงบนี่หมายถึงการเห็นแจ้งการรู้จริงพี่นี่รู้อันใดรู้จําพวกกามเห็นจำพวกกามเข้าใจจําพวกมีกามกาลม่ได้กามมาแต่ว่า พวกทําความสงบจกอยู่อนาจของกามเนี่ยมันสงบอยู่กับกามกามมาลบเลย่ามภาวะสาวะเนกระตุกยังในพบในสัตว์มันเป็นอวสานอยู่ันแี้วเรื่องนั้นมันจะมีอวสานเขาสอนขย้อนสั้นโบราณจดเจอเรื่องนี้แต่ก่อนนะพระพุทธเจ้าเพิ่งเกิดเขาอาจะสอนอวสานนี่ในรูปสารอารูณ์าสรมันอยู่นี้ แล้วเฮาเมื่อว่เวซื้อซื้อรูปสันซี่อรมปสันสามรูปสันซี่อรมปสันซี่ว้าอยู่ใส่หูหหูหักเนี่ยก็งกรบูหยักเมื่อมาเข้าใจอันนี้โอ้ที่เราเว้ารูปสามเนี่ซี่อรุปสันสามได้สมบัติเกหรือสมบัติแปดอรุปอรุปสันรูปสันซี่อรุปสันซีมันอยู่อันนี้นี่โอ้ยของงไในเจ้าของไปว้าจังไหนจังันนาะ เมื่อเข้าใจอย่างซี่เมื่อเข้าใจอย่างซีก็เลยสงบเลยว่าไม่เป็นสงบนั่งได้เด็ยางไปช่างหมาเนะี่ยสงบมันเย็ดใจจุคนไผ่ซีว่าเส่กระโปงเสื้อคนแล้วแบบนี้นี่คุณค่าของพระเรียบบุคคลนี่เนี่ยหูทิพตาทิพคุณค่าของพระอรหันต์ยิงพระอรหันต์นั้นมีคุณค่ามากที่สุดที่จักเลยบ่ทําไมจะมีคุณค่ามากเลดยโยกผลอื่นกับบทต้องการอนั้น ต้องการอนเนกกันแล้วเมื่อเรารู้ทําไมจึงบบอกเขาเจ้าบอ่อนอันนั้นโบเบนพระสอนเพื่ออันไดก็รู้จักถ้าเรารู้จริงๆต้องสอนนะข้าเจ้ารู้จริงๆทีนี่มันอยู่นี่จึงว่าเมื่อคนอุดต้องการเรากเบาต้องการนี้บอ่อนแต่ก็นั่นอย่างพ่อไก่มากอันนั้นนึกว่าอันนั้นมันเป็นของจริงมันมารููแล้วอันนั้นมันบเบเปนของจริงแล้วเป็นอย่างโบอสอนขาเจ้าขัน ว, ว่ารู้เหตุโบเมรู้อันนั้น รู้อย่างหนึ่งอันนี้แหละมันผิดกันยังการเตุการณ์ทำที่มันว่าวผละแบกเนี่ยพรามันรู้มาแบบนี้จึงว่าเวาแบบนี้ก็เลยรู้จากความสงบอันนี้ความสงบอันนี้คือสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากกิเลสสงบจากตัณหาสงบจากอุปาทานสงบจากอวิชชาสงบจากพวกตามมาสวะ สงบจักภาวาสะสวะสงบจักอวิาสารสวะการมาสะวะรู้จักการประเภทนั้นเกิดขึ้นภาวาสะสว่ะเกิดรู้จักพบของนั้นเกิดขึ้นอวิสาสะวะควมไม่รู้อย่างนี้หายไปนี่มันสงบแบบนี้แบบอย่างภาวะอย่างนี้อย่างข้อจรงว่าโอ้ขวมสงบมันเพราะการเห็นแจ้งรู้จริงนี่ซื่อนี่ หาบูเห็นแจ้งบูรู้จริงเรืบท ส, ทสงบุกแต่แต่ผลเขาเรียนาหรับตาลาย่างเงียเพราะว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่จังได้แต่หากบทสงบกมันจะสมบอย่างไรครับมันบูเห็นต้นต่อของมันคุณนี่มันเป็นอะไรเมื่อรูร้จักกังซีแล้วการู้จักนะอันนี้เรียก ว, ว่าแต่ปัญญาส า, ารจะตุทสานแบบนี้รู้จักจากําพวกการทํทบาทบาปอะไ้เอาทําเอาทําบาปกัน ทำบาปด้วยกายทำบาปด้วยวาจาทำบาปด้วยใจทำบาปด้วยกายเนี่ยถ้าหักนรกมีจริงหรือทุกมีจริงเป็นยังไงทุกขนาดไหนทำบาปด้วยวาจาเป็นทุกอย่างไงทำบาปด้วยใจเป็นทุกอย่างไงสามอันนี้ทำอะไรสิวันนี้ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสามอันนี้พร้อมกันทั้งหมดเลยเป็นยังไงถึงหนักเมาปะในรู้จักอันนี้อรจะว่าจะตกหรือว่ารวมรวมกันทั้งหมดเลย นี่จัตัวทักษเข้าใจง่ายอืมวันนี้ทําบุญด้วยกายทําบุญด้วยวาจาทําบุญด้วยใจแต่ละอย่างละอย่างวันนี้ทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันทั้งหมดนี่นี่เรียกว่าจัดตัวทักษเรีวยกว่ารวมกันเหาเว้าวซื้อ อ, อันนั้นเว่าตามตัวหนังสือบดยเห็นความจริงมันก็นเลย ซ, ซีนนลซีนีนี่แหละเห็นเจ้เปลือกมันเห็นเจ้ากระี่มัน ว่เห็นเนื้อแท้ของไม้เอาไม้ไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดเหินเอาตกแกนเหมือนคนได้เฮ็ดแต่แต่การปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจักแกนแท้ของมันคุณนี้จึงจะหมดสงสัยได้เลยที่อย่างพ่อว่าให้เนื้โอโวยู้จักแล้วจำได้ซ้ําบางคนเพราะว่าเว้าอยู่หลายคือนนี้เมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็ดเรว่ารวมกันแล้วบรรลุปัญจมาสารเกิดขึ้นแล้ว พร้อมด้วยองค์ทางห้งเององค์ทัห้าเนี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณรวมกันมดแต่ละสิ้นละสิ้นสมมติเอาคนซี่คนหรือสามคนก็ได้ทางานบ้าง เ, เลิกเทอะตีละคังปุ้มวางมัดขัวโบจัดทั้งหมดอมกด อ, อกพร้อมกันหลดเอาทํางานเทอะตีละคังตั้งจับพร้อมกันหลดนี่เด็กรู้จักเป็นอะไร พอดีรู้จักบางทีเดียวับเนีย่ยพอเคยว่าเอาเสือ้อมาผูกโซนั้นโซเ น, นตัดตรงกลางดึงส ก, กัดโบถึงนี่เรื่องอายตนะอย่าเพิ่งว่าอายตนะตาเห็นลูกจับว่าลูกหูฟังเสียงจักว่าเสียงอย่าเข้าไปครับปิดตุลปิดโตผูกเนีย่ยพ่อเปียกเดือคือแม่เหล็กถ้าหากแม่เหล็กดึงไปแล้วจนเด็ดเศดเด็กเหลืออยู่ตาบนน้ำมันจิตติดแม่มันไปมด บันนี้เอาเหล็กนั้ไปใส่น้ํายาฆ่าซะฆ่าแม่เหล็กฆ่าแม่เหล็กเสื้อเหล็กตายเลยบนเอาเหล็กนะไปทิ้งลงบล่อน เ, เ, เหล็กเศษเหล็กเลือโรงคลึงพระเจ้าน่ะลากไป เ, ก เ, เ, กเหล็กเต้เหล็กเรือน่ะนจีบติดมาเลยเพราะมันขาดแลด้วได้มันจืดหมดเล ย, ยอันนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าถึงที่สุด ข, ของพุตเขาเคยเห็นได้เห็นจิตเห็นใจเขานี่อันนี้แหละพระพุทธเจ้าบนว่าบุคเพที่วาสานุสติญาณ คือกันมัดทุกคนแต่เมื่อบุษันมาเห็นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เป็นทุกเสา ะ, ะแสวงหายู่โ บ, บเสาจักรเถรอเมื่อเห็นแล้วโอ้คือเ่อดกับเขานั้นแล้วเขากระโบหูเขาก็ยังเฮ็ดจังสันเรื่องความสงบ พ, พวกอาราดาบทอุตทกดาบทสอนเราก็สอนจังสันแล้วเขาบโบหูมาจิกกลับไปสอนขาเจ้ามูนี่คนนั้นตายแล้วอะไตายแค่แค่กรบโบหุจักหรือว่าแม่นตายทิฏฐิมานะกระโบหุจัก คนมีทิพยทีบีมาณกระต่ายจากคุณดีของงามที่มันมีอยู่ในเราดังนั้นควรศึกษาและปฏิบัติให้มันเกิดให้มันเป็นให้มันมีขึ้นในจิตใ จ, ใจของเขาจริงๆเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงจุดนี้แหละสภาพสภ า, สภาวะจิตใจบ่อมีอนไดปรุงแต่งได้แหละเพื่อนแต่ว่าเราถึงแล้วแห่งนั้นจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้เธอทั้งหลาย ได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้รู้ยิ่งเห็นจริงเหมือนกันกับเราแต่ถาพรุฑนี้จะบอว่าอันนี้เป็นเรื่องที่นํามาเล่าสู้กันไปไนี่คือแที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าคุณรับรองรับรองแท้ๆต้องเป็นวิธีที่บําเพ็ญ่างจิตทางใจ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มีในผลทุกคนตอ น, นี่ฟังกันอีกเพียงเท่านึงให้มันถึงจุดนี้ถ้าบบถึงจุดนี้อยากเข้าใจว่ า, าเขาเข้าใจธรรมะอยา่างลึซึ่งโบเนี่ยเมื่อมันถึงจุดนี้เลยจิตเราหลุดพ้นแล้วถึงแล้วสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเพิ่นไปถึงที่นั้นแล้วอเอาบริจาไปถึงแล้วแต่มันมีอยู่ในเขาทุกคนในเรื่องนี้บบต้องไปศึกษาอัะไรใหม้มก บวกเกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศินบวกเกี่ยวข้องเรื่องการทํากรรมตัดบวกเกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่หอให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจให้สัมผัสได้จริงๆนี่อันนี้แหละเป็นว่าอาการเกิดดับเกิดแล้วดับแล้วเพื่อเดียวเท่านั้นเพื่อินว่าตัดผมเพื่อเดียวนี่แหละเพราะมันขาดเลยดิมันขาดออกจากกันแล้วจับติดกันบมได้นนแล้ว เนี่พ่อก็เลยมาเปรีย้ยวเาเหมือนปิงกินเราจักเราเอาปูนกับยาผสมกับน้ำบีบแต่แล้วเปิงมันล้นผู้เดี่ยวเลยเมื่อจับฝักปิงมาให้มันติดเนื้อหอยตื้มเหมันโบติดแล้วก็มันเบื่อเลยเด็มันเบื่อเด้ให้มันเบื่อจริงๆครับถ้าโบเบื่อแล้วมันจะเป็นแม่เหล็กตึ้มเลยถ้าแม่เหล็ก้ามันได้จริงๆนี่แหละพระพุทธสอนเรื่อง น, นี้อันนี่แหละพันว่าธรรมศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติจิตวิญญาณที่นำมาเราให้ฟังนี่ก็ว่าสมควรเนี่ยง่ายๆการทําความรู้สึกตัวทําความตื่นตัวนี่อานิสงส์มาจาหมาจิตถ้าหากกรทําความรู้สึกตัวเรทําความตื่นตัวนั้อานิสงส์มาจากบเกคลมากทีได็ดคนเอื้นเจริญสติเจริญสติแปลว่าทําให้มาทําความรู้สึกตัวทวาาวําความตื่นตัวนี่เป็นเอง เป็นเองจริงๆโบต้องไปขอรองจากไถ่ที่ลราทำมัดเฮาเลี้เจ้ามีใจในคนทุกคนแล้วบบยากถ้าหากบบเข้าใจแล้วทำโบทูกเลยให้ระวังวิปัสนูกับจินตญาณวิปลาสโตสุดท้ายนี่แหละสําคัญถ้าหากว่าเมื่อเฮาลูอาการเกิดดับนี่มันจะฟุ้งไปวิปลาสตัวนี้สําคัญแต่ให้เราพอที่มันพุ้งไปปุ๊บ ทำปมรู้สึกตัวอย่างที่เนี่ยพอไหวฟังเมื่อมันเป็นปนิจฉาเนี่ยทำปมรู้สึกตัวตะตุกเราแหงๆนะี่ยมันจะเข้ามาเลยพอดีเข้ามารวมให้มันวางเลยอารมณ์ น, นั้นวางอารมณ์ตุกทุกนะวางให้มันมิดให้มาบึง่งค่วมจืดเขาพี่เอาแหละเมื่อเนี่ยเป็นว่าสมนควรแค่เวลาได้ยินโปรดจุดเพียงแค่นี้การแสดงธรรมะเมื่อเนี่ สมาธิเก็ตั้งใจฟังแล้วแบบงานโยมก็ต้องตั้งใจฟังคำว่าตั้งใจฟังนี่มีความหมายอยู่ลึกพอสมควรคันฟังแล้วก็บ่ได้จดได้จําลังกับโมเมนต์ตั้งใจฟัเมื่อนีกกระบอกหวานเนกกระบอกเมื่อก่อนกระบอกบอกทุกเมื่อทุกเมื่อเอามาตั้งใจฟัง ใครๆเสือบอกแล้วกำรุงราคาคุณประโยชน์จะเป็นหน้าที่ที่เราจะปฏิบัติตามไปเพราะว่าเราวชอบอย่างนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ของเราคนที่มาค่ะก็ต้องร้องถึงจะเอาไปใส้ก็ได้ก็ไปใส้ก็ได้จำนวนร้อยคนพันคนเราก็เพียงว่าคนเดียวก็พอแล้ว การที่เ ข, เขาตั้งใจคนที่บวตั้งใจนี่นก็ธรรมดาเขายังเป็นดอกบัวใต้น้ำนอกีกแล้วแจ่กันบวเป็นวันใดก็เป็นวันนึงเขาที่ปมน้ำขึ้นมาเป็นใบฉะนั้นพวกเขามันบวชได้แม่นดอกบวับวใต้น้ำแม่นแมนดอกบัวขุณน้ำแล้วพอยเตี้ยแสงผาทิศ ให้แสงสาธาตุทิศออกมาด อ, อกหัวนั้นสามารถที่จะบานได้ทำคนน้ำขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องพยายามให้เป็นดอกหัวที่คนน้ำจริงๆแล้วก็คอยรับแสงผาทิตุจริงๆเมื่อแสงสาธาตุทิศออกมาแล้วทำบานได้จริงๆแล้วก็มีรสหอมกลิ่นหอมดังนั้นคําสอนของพระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าจะตายไปแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ต ยังมีกิ่นหอมในสุอขุมวันนี้กิ่นหอมนั้นยังมีคนกราบคนไหว้ยังมีคนปฏิบัติตามด้วยการหว่าหอมกิ่นเหม็นแบบในตรงกันข้ามย่างพระเกวัฏทัด <c oughs> ตายไปแล้วคือการเน่าเน่าเหม็นคนซั่วเท่านั้นที่ปฏิบัติตามคนดีแล้วบวอยากปฏิบัติต คนซั่วนั้นทําไมเกี่งปฏิบัติตามกับแบบของพระเจทท้าถัดเพราะเขาบูรู้จักตัวรู้จักดีนี่ยังเกิดมาเป็นคนหน้าตาเป็นคนเต็กจิตใจที่โบเคยได้รับผลสว่างโบเคยได้ยินว่าอันนั้นชัวอันนี้ดีนี่เพื่อม น, นมาเป็นกันเป็นคนยกคนนี่มันอยู่กลาง จะไปทํางานทางซัวก็ได้จะไปทํางานทางดีก็ได้งานนั่นเหมืนโบดีโบซัวตัวการกระทำํำมันดีมันซัวดวยกันดังนั้นให้พวกเราพยายามทำผมเขาแต่งให้มันดีเวลามันน้อยพวกผมอบรมกันกับเพียงสามสิบนาทีย่างนานก็ต้องตีสิบนาทีหรือชั่วโมงก็พอแล้ว มาให้กันฟังตั้งแต่ความจริงใจที่เรามาที่นี่ว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมคาว่านักปฏิบัตินั้นอ่ะเราปฏิบัติเพื่ออย่างเรามานั่งฟังซื่อโบหรือเราไปเหตุจังหวะโดยจงกรมซื่อโบรอท่าเอาอย่งโบนรอท่าทําทให้มันเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วมันจะรู้อย่ง ลูกของจริงของจริงกระวอาให้ฝังอยู่ทุกมึงแล้วเมื่อใดเราอยากจิตทาให้มันลูปถ้าเราบบทำให้มันรูปมันก็รูปสมัยทรั้งพระพุทธเจ้าเพิ่งแสดงธรรมให้สาวกฟังฟังครั้งเดียวนึกบางคนได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นอาโซดาบันเป็นจํานวนร้อยๆพันเป็นหมื่นเป็นแสนจะมีอันนั้นกระไมยถึงดอกบัวคนน้ำอันที่ยังบมทัน ได้ดวงตาเห็นทำก็หมายถึงดอกบัวใตน้ำเนอะไรพวกเขาอยากจะเป็นดกบัวใตน้าถ้าหักเป็นข้าวข้าวเจ้าข้าวเหนียวเป็นข้าวเปลือกให้เป็นข้าวอ้วนข้าวเต่งเอาไปเข้าวลงสีแล้วให้มันลงซีผัดออกมาให้เป็นข้าวทีหนึ่งอยากเป็นข้าวหักขันเป็นข้าวหักเขาเอือนข้าวทีสองหักสามหักสี่อยาเขาเอือนข้าวทีสาม เกินมุ่นออกไปเขาเอิญเป็นแกบเป็นหำเป็นข้าวเส้นนึ่งเป็นข้าวปลายก็ยังดีอยู่ัครเป็นแกบเป็นหำบางดีอย่างได้คุณค่าของมันเป็นแกบเป็นหำนั้นเอาไปเผาทานบ้านยางพอแกบเอาหำไปเผาทานแล้วเอาไปให้ปุ๋ยผักแก่หำเอาไปเปือยปีดเปือยไก่เปือหมูเป็นอะไรั้งข้าวปลายกับบางคนก็กินได้บางคนกับโบก็ไกินน่ะ เพราะนบุกไปดีเท่าไรถ้าเป็นเข้าทีสองทีสามกะกินกับคนอืนน่นบุกถ้าเป็นเข้าทีหนึ่งแล้วคนตอบขายราคากระแพงเขาเกิดมาเป็นคนเนี่ยจะต้องการราคาให้มีบวกด้วยขจิบ ต, ต้องการให้เขามีราคาทุกคนพื้นว่าต้องการให้ราคาเขามีราคาเขาจิมีได้ยังไง ทำคุณดีกมงามเอาไว้ต้องทําดีเป็นวันคนเราเนี่ต้องทํ า, า ด, ดีให้ดีมีเกิดขึ้นไว้แล้วก็เป็นคีเพิงใดเพราะผมณดีของเขาทํานั่นเองคนเราหากว่ามีดีสต่นิดนึงเพื่อคนอื่นเนี่ยค่ะเจ้าบใ่ใจเจ้าเฉยดังนั้นคนอย่างสอนว่าจงทําดี เพื่อการทําดีของเขานั่นแหละไปเรื่อยๆจงทําดีเพื่องการกระทําความดีของเขานั่นแหละไปเรื่อยๆจะได้ที่เพึงอันกเกษมสุขอันความเกษมกับสุขจะถึงความเดียวกันแล้วมั่นคงถาวรดังนั้นพระโพธิเจ้าพผืนเห็ดมาแล้วับเพชรยังาวาบเยหรือผูู้เท่าผูู้แก้วมันก็เห็นมาเพ่รยังวาไว้ยอย่าเยียดคานการทํางนาน อย่าเกียร์คานการทำธุระหน้าที่ของเขาถ้าหากเขาเกียร์คานการนั้นเกียร์คานธุระหน้าที่ของเขาแล้วดีโบเกิดดีบบมีเขาบบมีดีนิดนึงเนะเพิงผู้อื่นก็เสียเพิ่งพ่อเพิ่งแม่เพิงอ้ายเพิงน้องเพิงได้ตั้งแต่สิ่งจำเป็นสิ้นโบจำเป็นเพิ่อกับเพิงโบได้วันนี้เพิงได้สิ่งจำเป็นอากันเจ็บไครได้ป่วย เพิ่ง ก, กับพาไปโรงพยาบาลตอนเสียเงินได้บหมเนี้ก็บแม่นเหาเนื่ย เ, เสียพิชเสียให้เหาค่านพูมีเงินได้บหมเนี่ยบุมีเงินแล้วก็บม่ได้ไปแล้วโรงพยาบาลตายลาสื่ออันนี้ให้เข้าใจเอาไว้นี่เป็นภาษาเพื่นโลกๆคนนี้ต่อไปก็ต้องวาเรื่องภาษาธรรมะที่เขามีจุดหมายปลายทางนั้นตอนเย็นวันนี้ก็วาให้กว้งธรรมะที่สูงสุด ที่เฮามีจุดมุ่งหมายนั่นคือการกระทําทางใจที่พระพุทธเจ้าพูนบอกแล้วการกระทําทางใจทําทางใจทําอย่างไดเฮามีสติมีสมาธิมีปัญญารอบรู้ปัญญารอบรู้รอบรู้สิเดีรอบรู้ตัวเฮามันนึกมันคิดให้เราหููจักเห็นหููเข้าใจสัมผัสได้เมื่อมันคิดขึ้นมามันเป็นยังมันสังขารม่นมาสังขารปรุงแต่ง สังขาร น, นี่บุษด้หมายถึงลดล่อเกียนเหื อ, อนสารบ้านตองบุษฎีหมายถึงรูปกายอันนี้อันเดียวหมายถึงจิตใจมันนึกมันคิดคุ้มด้วยมันว่าสังขารปุงแต่งแับ น, นีวตตววตต้วัตตะคือวงกลมเามือนบ้านอย่างวัตตะรงสารวัตตะคือวงกลมมดแดงไต่ขอบดงบ่มีการสิ้นจบจักเกือหมด ตายแล้วกบวนวิญญาณสนะม้วนบุมีนถังออกเนี่ยเองนั่นนั้นวัาตตะคือสงสารวัาตตะคือวงกลมเขาต้องพยายามตัดวงจรตัดวงกลมมันออกเมื่อเขาตัดวงจรตัดวงกลมโบได้ก็ะจี้ได้หมูเวียดอยู่สนะตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอันนี้วัาตตะทรงสารของคนที่ยังเปนรูธรรม วัตตาสรงสารขนมืดบอดวนดวงสนะอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นว่าเมื่ อ, อยังบุรุษบุทันเห็นเราตถาคตก็เป็นทุกข์เพราะแสวงสะเตห์ห์วนเวียนไปอยู่ดวงสนะเป็นว่าเมื่อเราตถาคตรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วทุกอนกัตโกรมึดแล้วบัดนี้ห อ, อยากหมดทุกข์หรือห อ, อยากมีทุกข์ เราต้องเอามาฝังไว้ผมคิดแบบนี้ต้องให้มันเข้าไปอยู่ในมันสมองคน่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ว่วไม่สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์จึงคนมาเป็นสัตว์ประเสริฐขันสัตว์ประเสริฐนั้นเพียงจะทำนากินบกหาเงินค่าขายบวกเป็นลูกจ้างเขาบวกเรียนหนังสือได้มากๆบวกหรือมีเงินหลายๆนั่นบว บ่มีสัตว์ประเสริฐสัตว์ประเสริฐนี่พระบุตรเจ้าพว่าหมายถึงบุคคลผู้ที่บ่มีทุกข์คนนี้จึงเป็นสัตว์ประเสริฐคันยังมีความทุกข์อยู่กักบบ่มนสัตว์ประเสริฐบ่ผิดกันกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานอา จ, จมีบุญทุกข์ก็ได้บางตักคนเทาก็คือการบางคนอาจบุญทุกข์ก็ได้แต่บ่มีทุกข์นั้นข้าเจ้าเอาบุมทุกขนั้นเป็นบุมสุข ประเภตนึงคันมีทุกข์มืนกับเที่ยวมีเงินใส่ใจไปหันมานี้หรือต้องการอย่างใส่ใจซื้อเอานะครับบริษัทแบบคนด้วยแต่ทุกแบบมีความสงสัยแบบบุคคลนีมีมดทุกคนเราเคยเห็นว่าคนค้าตัวตายนะก็เห็นเอาปืนยิงโตตายจินยาตายกระโดดน้ำตายเคาะหยัง เพราะเรื่องทุกข์ทั้งนั้นไม่ทันนานไม่กีหวันเขาจะว่าคนประเทศนอกก็ทุกข์เท่า ก, กันโดยเฉพาะเจะคนไทยเลยการค้าโตตายเนี่ยคนไทยก็มีมากคนเมืองนอกเมืองหนาก็มีมากมเรียนหนังสือสูงๆได้เป็นปริญญาเอกยังกินยาตายค้าโตตายกัีมีเงินร้อยล้านพันล้านเหมือน ยังฆ่าโตัตายเอาเปือยิงตัตายกินยาตายก็มีมัดคอตายก็มีพ่อยั้งพ่อผมทุกข์บ่เรือพ่าความสุขคนมีความทุกข์มาแล้วไม่มีทางออกก็ต้องจำเป็นเห็นจะตายนะเป็นที่พึ่งย่างพระวกะเลิสนั่นแหละถ้าหากบุได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเสียแล้วพระวักกะล็กก็ต้องตายเมื่อพระพุทธเจ้าวาให้ภระวกกะลิศภวะกกะลิกบุได้เห็นธรรมา โบได้เป็นสัตว์ประเสริฐคล้ายๆคือคนนุ่มกับยิ่งสาวรักกันชอบกันแล้วกับพระพุทธเจ้าว่าให้แล้วก็เสียอกเสียใจโบมีที่ฟึงจิตไปกระโดดเหี่ตายพระพุทธเจ้าก็เลยถามพวักกะลพระวกกะลิเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือรูปกายที่ตีก็เข้าใจอย่างนั้นอันนี้โบแม้นมันยังตายเป็นเน่าเป็นพระวักกะลิศตายเป็นเน่าเป็นก็ตายเป็นเน่าเป็นเหม็นเป็น คนตายเป็นเน่าเป็นเหม็นเป็นแล้วที่เป็นพระโพธิเจ้าได้สมไมพระโพธิเจ้าโบเซ่ตายโบเซ่เน่าโบเซ่เหม็นพระวกรกายก็เลยยับเห็นดังนั้นพระโพธิเจ้าตายไปได้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วยังมีกลิ่นหอมอยู่เส ม, มอเดียวนี้เฮาโบเข้าใจที่วนอันเนื่องจากคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบุมีเรื่องมียังเพราะบุมีความทุกข์คือพอเกิดเอเพราะบุมีทางออก มีกรมทุกและบุญทางออกอย่างพระวักกลิกเพราะวักกะลิกก็เลยได้ฟังคําแนะนําจากพระพุทเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติตัวเองเลยเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีในพระวักกลิกทีเดียวบัดนี้เมื่อพระพุทธเจ้าในพระวักกลิกเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นพุทธสาวกและบุมหงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเป็นพระอรหันตองค์เอกบุญหนึ่งกันเป็นสาวกพุทธ แล้กระยุยดใส่ได้สบายใจโบเดือดร้อนแล้วพวกเขาถือาศาสนาพุทธอยู่ทุกมือเดี๋ยวนี้เขาจะเพียงเอาแต่กาบแต่ไว้ยเท่านั้นติดเด็กน้อยมันก็เฮ็ดเป็นอันกาบอันไว้ยมุ่นผู้ใหญ่แต่เฮ็ดเป็นผู้เท่าผู้แก้ไขเฮ็ดเป็นแล้วยังมีทุกยุ่ยางตำรวจทหารก็เฮ็ดเป็นผู้รุงเรียนก็เฮ็ดเป็น เาวให้เาวนานาวส่วนเฮ็ดเป็นเมื่อการกราบกันไว้เป็นผู้ไทยในห้อยก็เป็นกลับไหวเป็นเมื่อแต่มีทุกอืมีทุกเพราะจะในทุกเพราะสงสัยทุกเพราะอยากได้ทุกเพราะอยากเปลี่ยนทุกเพราะอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากมีนั่นโบได้เดอยากได้ของโมีบบมีอยากเป็นของที่โบเปลี่ยนบบนั่นโบเปลี่ยน อยักเห็นของที่บัวเคยเห็นนั้นมันบ่มีนั่นก็ บ, บ่เห็นอันของที่เป็นที่มีที่เหาได้แล้วนี่เหาเปีหนี่บ่วอยากเอามาเผยแพร่เป็นอย่างเพราะเหาบัวหูเหาบัวหูที่เผยแพร่ได้บก่ก็เผยแพร่บ่ได้แล้วเหาบัวหูนี่การเผยแพร่ธรรมะคําสอนขอ ง, ของพระพุทเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐดังนั้นผมอายุสี่สิบหกปีแล้วผมตั้งใจไว้ลดกระเดียว ผมว่าผมเข้าใจคำสอนของพระพิจ้ารยามทราบซึ่งตึงใจแล้วผมก็ตั้งใจเป็นคูต้องทําชีวิตของเราเกิดมานี่เพื่ออยังเกิดมาเพื่อสร้างคุณดีภูงาให้เพิ่งตัวเองได้เมื่อตัวเองเพิ่งตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ต้องการอยากเพิ่งตัวเองได้เพิ่ออย่างว่าตนเป็นที่เพึ่งของตนเพิ่งคนอื่นบ่ได้นี่เพิ่งคนอื่นบ่ได้ได้แท้เรื่องเนี่ย เรื่องการเจริญสติเนี่ยเพิ่มผู้อื่นโบได้มีเงินหลายๆกับเพิ่มโบได้เรียนขมรููสูงๆกับเพิ่มโบได้เป็นอย่างเป็นเจ้าเป็นนายกับเพิงมโบได้เพิงมโบได้จริงๆเพิงมได้ตั้งแต่ขวมเห็นแจ้งขวมรู้จริงเท่านั้นด้วยสติปัญญารอบรู้ในตัวเขาจึงจะเห็นได้อันนี้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวแล้วว่าธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้านั้น มีก้อนแล้วมีก้อนพระเจ้าแล้วมีอยู่ในคนทุกคนแล้วเขายังไปปัตนาเอาจยางไหนไปอ้อนวอนขอร้องเอาที่ไหนเติมใครจะมาให้เขาเพื่ยังว่าให้เฮ็ดเอาเองเป็วนว่าเราจะถาคดไปถึงแล้วแหงนั้นาไปถึงที่ไหนเดินด้วยเท้าไปบ่บโบเมงขึ้นเครื่องบินไปบ่บโบเมงนั่งรถยนต์ไปตีโบแมง นั่งรถไปไปตีโบมีนขี่ลอกี้เกมไปตีโบมีนเพิ่นนั่งอยู่ที่ใดเพิ่นว่าเพิ่นทํางานอยู่ที่นั้นแต่นั้นสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมให้รู้เป็นพระอนิุคคลนั้นบบจํากัดการสถานที่วันเวลาโบมีลึกงามย า, ามดีทําอันใดโบได้าทาได้ตั้งแต่ตัวเหานี่แหละทําดีทำซัวเท่านั้นเีงคืออยางนั้นเป็นการเตือน การทำทางจิตเนี่ยอย่าเป็นนางนิ่งนิ่ให้เราเคลื่อนไหวเป็นผ้าเป็นทางเป็นจังหวะจักรโจนจักโจนนี่บ้านผมมันเป็นจังหวะเป็นวิธีเป็นหน้าบึ้งคนอื่นน่ะจังหวะจักโจนให้ทําจังหวะเป็นพักเป็นพักความคิดมันปรากฏขึ้นมาเราต้องเห็นต้องรู้ อันเห็นกับรู้กับเข้าใจนี่อันหนึง่งอันหนึงนน่งหูโบเห็นโบเข้าใจอย่างหนึ่งเห็นหููเข้าใจอย่างซี่หูจักสถานที่บอนเกิดของผมคิดวันนี้หูโบเห็นหูซ้ซื้อเหมือนคิดอันนั้นโบแมนเห็นบ่าเป็นหูมันเข้าไปในคมคิดมันก็เลยทุกป์ุ่มเรเรียก ว, ว่ามดแดงไตอปอดด้งเป็นวัตตะเป็นวงกลมเป็นวัตรตารงสามเหลี่ยมวนเวียนวงสันดาบ ดังนั้นวัตตาทรงสารของคนบหมูนั้นเขาจึงว่าตายแล้วคือดเกิดแล้วตายมดแดียดแต่ขอบล้อมวัตตาทรงสารของคนมีปัญญายเห็นสภาพภาวะของจิตใจมันคิดคุณเพื mm. ่อจะว่ามันกว่วงมันยาวีคิดกันมันนี่วัตตาทรงสารของคนที่โบรู้นั้นคนว่ายืดเหวี่ไกลที่สุดก่วงใหญ่ที่สุดคนว่า ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมุนอยู่สันผนืนวันอันนั้นของคนบกนี้สมมุติเขานอนเมื่อคืนเนี่ยคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนโหลับโอ้ยปันได้ยื่นหุงยืแจ้งเด้เนี่ยข้าเจ้าวางใจบัด น, นี้คนนอนหลับบัดเนี่ย้ยคือว่าหุงงายที่เนา้อบุตรเดือดหุงลดเลยเนี่ยจําพวกที่เถามาทําวัฒนนี่กันคนที่ตั้งใจรักงานรักงานนั้น ได้เวลาตื่นรถบัวได้ว่านอนน้อยนอนหลายคนเกรียดข้านการงานนั้น อ, อหงางยขีดบุดเดียวหนึ่งเมกจึงว่ามันผิดกันทั้งสนคนนอนหลับกับคนนอนบัหลับนี่มันหงายคือกันเต็มแล้วเพียงสิบสองชั่วโมงคือกันสมมติทางเดินคือกันเหมืนคนได้อิดหิวริวร้วเเมื่อยเจ็บแข้งเจ็บขาหิวห้าผองหนักไป นานหอดเสาเครื่องเสากลางไปนคนใดไปเต้ต้นเต้โตเขาโบเหิว้ยบโบหอบอันใดไปยางไปซื้อแล้วกับโบอิดโบเมย์เพืด่อเดี่ยวหอดโหลดเนี่มันผิดกันนังสันยานั้นเขามาที่นี่ต้องเป็นเข้าทีหนึ่งหญ้าเป็นเขาทีสองเป็นดอกบวัวคนน้ำหย้าเป็นดอกบวัวใต้นา้าบัดนี้เมื่อเห็นความคิดเขามันคิดเขาเห็นเขารู้เข้าใจ เขาก็เคลื่อนไหวตัวหอบไปนํามันหยุดเองเมื่อมันหยุดแล้ววงจรมันขาดคุณค่าของการทำปมรู้สึกอันนี้แหละมันมีประโยชน์แสดงให้ฟังว่าอันผ้าอรหันนั้นแต่ก่อนผวก็เข้าใจว่านั่งอยู่นี่ต้องมองเห็นใกล้คุณอันผู้มีตาทิพย์ ตาทิพย์นี่หมายถึงว่าอันคุมค่าของพระอรหันต์กับตาทิพย์เม่นอันเดียวกันเล้กับผู้มีปัญญานั่นกับเม่นอันเดียวกันเลยบดี้หูทิพย์แบบนี้กับผู้ที่ฟังธรรมะเป็นนั่นกับแม่นอันเดียวกันอีกตึมฟังธรรมะเป็นยังไงฟังขาเจ้าจิดากับฟังไดเขาเจ้าจียกยองกับฟังไดข้าเจ้าจีว้านธรรมะสู้เขาฟังกับฟังไดนั่ น, เ, นเป็นว่าหูทิพย์เอาหูทิพย์ไปฟัง เอาตาทิพย์ไปดูบุ๋มเอตาทิพย์ที่ไปมองเห็นผู้นั้ตาทิพย์หมายถึงเห็นตัวเห่าเนี่ยกําลังเคลื่อนกําลังไหวอยู่เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจแบบใหม่เว้ากันซื่อๆอแก้ก้อนนั่นเข้าใจตาทิพย์นึ้บุได้วกวนเข้ามาหาตัวเองมันจึงบ่มีตาทิพย์มันจึงบ่มีหูทิพย์พอเดิมาเบิ่งตัวเองโอคําว่าตาทิพย์หมายถึงเราบ่เคยเห็นจักรเถ้อ การเคลื่อนไหวตัวเขานี้เห็นยุหูยุมันบริบูนเห็นมันบริบูรณบริบูรณ์หูด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญารอบลูงจริงๆเมื่อเห็นจิตใจเขาเกิดคิดขึ้นมาปุ๊บเห็นฟักเนี่มันเห็นเป็นตันเป็นเลือกเข้าไปอย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อวานนี้ธรรมะจึงมีหมอกมีเปลือกมีกำพี่มีแก้นมีแขนและมีใจกลางตัวสําคัญมันต้องเอาใจกลางมันคุณ เราปฏิบัติธรรมะมากมายถึงแต่จุดนั้นนิพพานนั่นจึงว่าเป็นเบรกรถมีอยู่ในเราทุกคนบุรุษยกเวนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีนิพพานในะนเพลื่อนอุปเปกขาวางเซยเนี่ยหูทิพฟังตาทิพเบื้องกระเฉยอืคขมเซยได้ใ น, นะนเพลื่อนนิพพานเอลืนตาทิพเอลื่นหูทิพขมยึดมัน่นถือมันนะ่นในเพลื่อนว่าแบกของหนะักวัตตะสงสาร ร่วงหนักทวกหนักใจเป็นอย่างไรดังนั้นพวกเขาอย่าไปยึดจะไปถืออะไดให้มากเกิดไปจะไปติดพิธีดีต่ออะไให้มากเกอนไปเบื้องจิตเบื้องใจเวกนี้จิตใจเขามันเกิดพอใจบ่พอใจนานมันเกิดสังขารปรุงแต่งเลยได้หนึง่งคุกเลยได้นึง่งอย่างว่าทำดีย่าเอาดีทําบุญย่าเอาบุญทําซื่อๆทําซื่อๆทำเนี่ทยทําปูสาคุนของพระพุทธเจ้า ให้พระบุตรเจ้าเกิดขึ้นในจิตในใจเฮานี้เพราะมันมีแล้วเฮาหักโบเห็นซื่อๆเดี๋ยวนี้เนี่ยดังนั้นเพราะเขาบ่มีตาทิพต์โบมีหูทิพติ้วโบเห็นผีบบเห็นคนบบเห็นเทวดาบบเห็นมนุษย์บบเห็นสัตว์นรกบบเห็นเปรตโบเห็นสัตว์ในร่างสารโบเห็นอสุลกายเมื่อเขามีตาทิพต์ขึ้นมาแล้วเขาจะเห็นเมื่อของที่นี้เพราะมันมีอยู่ในเฮานี่เขาต้องเห็นทีเห็นจักเทือโบผีบบมีใครเห็นจักเทือ มิเตว่าอิตานี่คือผีเนี่ยคือพระองค์นี่คือผีเมตรองค์นี่คือผีเห็นแต่คือซื้อตัวผีเป็นโบเห็นได้แบบ น, นี้ดังนั้นจีว่าให้เห็นจริงๆคนไม่เห็นมันก็ต้องมีตาทิพติมางตัวเห็นที่ขโมมันมีคือซื้อมาจะเห็นหมดมันก็ว่าแมแ่เนี้ยสมมติเอาซื้อดินะ่ะเอาขี้ดินดากไปปั้นเป็นหกไก่หุกหัวหกหัวเอาไปขายได้บ่โบได วันนี้เอาตัวใกล้ตัวงวตัวขวายตัวน้อยๆได้แท้เนี่ยไปขายได้บ่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือกันเขาหู้จักเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยมันจีสสระส่งเก็บเขา้าเก็บเขา้ามันจิไหลายเข้าหลายเข้าคลายๆคือน้ําหยดไหลน้ําหยดมยาจะฟ้าน้ำท้นอิญน้ำยาไถ่ไถ่ยาจะไหลายเ ม, ม็ดแล้วมันก็จะเต็มองค์เต็มไถ่ล้นออกมาลดอันนี้ก็คือกันเขาเห็นบ่อยๆทําเรื่อยๆหู้จักเรื่อยๆมันก็ เห็นเขา้าเห็นเขา้าหัวจักเขา้าก็เลยถูกหยุดได้ผมคิดเลยหมดแผละเสื้อมันหมดแผละถ้าพระพุทธเจ้าจึงว่าตัดผมเสื่อเดียวนั้นผมพระพุทเจ้าโบยเหยาะอีกทีจักเถื่อนนี่พระพุทธเจ้าเพูนว่าจิตหุดพ้นแล้วัินอันใดปูงแตงบยได้อีกต่อไปจิตถึงเมื่อจิตหุดพนน้นแล้วน จิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีอางบอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีีไงคนบอกไว้มันมีมันหูจับมันเห็นเมื่อมันมีมันเห็นแล้วมันก็มีแอันนี้บ่อมีบ่เห็นมันก็ไปส่งใส่ถามคุณถามพี่อันควมส่งใส่แม่หยังนั่นเด็ดทุกทุกแล้วอันนั้นเขาหักส่งใส่เขากบุหูจักทุกคนว่าทุกเป็นเจ้าเหือนเป็นเจ้าของแล้วเขาจะเอาทุกมาไว้ตัวเขาอยู่บทเที่งทุกเสร็แล้วก็ โบมีทุกแล้วอย่าพ่อว้าวซื่อๆเนี่ยคันว่าจังสิที่หาว่าพูดขวดอุตริมนุษย์สาทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีเนตนติว่ากระทำสามันมีแล้วเดชมีแล้วก็ต้องว่ า, ว า, ว า, วาผผที่โบว่ามันจิได้ประโยชน์อันไหนพพคันว่านี่นผิดอย่างผิดผลพูดที่บุคคลจะได้ประโยชน์อันไหนพ่อครเจะเอาผลว่าหูเลยต้องเทศต้องสอนหูเลยต้องบอกผล เรามีข้องต้องบอกบ่มีว่าเขจี้จิเอิญบ่มอเขจี้จีเขาจับบ่คันบ่มีไปว่ามีแล้วบ่เป็นขาขี้ตัวอันนั้นบ้านเนีเพราะว่าคิดตัวตัวบ่มีว่ามีนี่คันมีแล้วว่าบ่มีได้อัอันนั้นก็พยายามช่วยด้วยวันนี้มีบอกว่ามีนี่เป็นยังแต่แห้งดีแล้วความีก็บอกว่าดีแล้วมีอันนี้ภัยมะคุ้มมาจีได้บอกบ่ใดอันนี้เพื่อนซับภายไหนเพื่อนซับไทยไหนซับภายนอกนั่น ดีมีแว่กรดีแก่คนพุน้นคนกี้เอาได้เรื่องความหลุดพ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่า่าเอามาเตือนกันอันจิตหลุดพ้นนั้นสภารภาวะของมันเป็นนั่นพอดีเป็นเราวรจหลดโต้องถามไัยทั้งมดัดแต่วิธีมันที่เป็นนั่นคือให้เขากำหนดการเคลื่อนไหวนี้ให้กำหนดไปเรื่อยๆเป็นเมือ่อใดยามใดกับต่างๆดูความคิดนี้ไปเรื่อยๆอย่าขั ถ้ามันติดต้อกันเหมือนลูกโซ่นี้เมื่อมันติดต้อกันเหมือนลูกโซ่นี้แน่นอนปรเดี๋ยวรับรองได้ เ, เป็นเห็นหูเข้าใจมันจะคาดจากวงจรอ น, นั้นพอดีตอนมันคาดมาที่เป็นตั้งไดเนี่ยพุทธกลมิงสู้กันฟัง่งเมื่อกับทอนผมเอาจับหัว น, นี่เลยทอนออกมามันมีลาข่าวข่าวไวแล้วเอาลงหูเก้ามาในบอมบอดาเพราะมันตันแล้ว หูเก่ามันตัไดไปเลยดังนั้นที่ว่าเปรียบได้กับเสื้อตัดตรงกลางปุ๊บเราต่อกันโบได้ยิ่งขึ้นเป็นวา ย, ยากันหรือเหมือนกับปิงเอามาใส้เนื้อเฮามันกินบัด น, นี้เขาม่อยาสโลมมันไว้เอามาจับแต่มันหนีมันทูกกินยามันหนีอันนี้ก็คือกันเมื่อจิตมันออกไปพ่นกันแล้วที่มันบุกเข้ากัานได้ไค่ไข่ขคือยาพิษ ดังนั้นพระพุทธเจ้าพคุนสอนของจริงของจริงประเภทนี้มีอยู่ใส่มีอยู่ในผลทุกผลบรยกเวนดังนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงวเป็นสานบุญบริญไผ่สมบดิคาสิตได้ทั้งหมดไผ่ไทำหุ้มไผ่ทาเข้าใจพระพุทธเจ้าจึงหว่าเราไปถึงแล้วแหงนั้นเมื่อเพื่อนไปเห็นแล้วเพื่อนก็นเลยว่าโอ้หมด ท, ทุกอยู่พทนี้ได้เลยมาบอกมาสอนเอารเาบได้เดินไปไส นั่งอยู่กับที่แน่เพิ่งว่าไปถึงแล้วเนฮาก็คือกันเฮาก็ไปถึงได้ยูไสเลยเนีนยเฮอบึ้งจิตเบึ้งใจเฮานี่เขาก็ที่เห็นที่สุด ข, ของุกคือกันแล้วเฮาบอกบไดเอามาสอนเสนอสื่ออันนี้แสดงว่าสอนของโบนีให้มันมีมันมีบโบได้หาของโบนีให้มันมีกับโบได้หาสวรรค์ น, นิพพานเนี่บยบได้ไปหาอย่างนอกตัวเขาเนี่ยบึ่งความคิดเฮานี่เด้ นี่สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพระนิพพานก็อยู่ที่ใจคนบุรพษคนสอนอย่างสั่งเพื่อว่าอ้วองศอกหยาววานาคือมีให้เฮาศึกษาและปฏิบัติได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วเฮาหัโบศึกษาที่ตรงนี้โบปฏิบัติที่ตรงนี้สวรรค์นิพพานาก็ตายแล้วจึงเอาเน็คเข้าใจอยางสั่งนรกก็ตายแล้วจึงไปตกนรกเน็คเข้าใจ ความจริงพระพุทธเจ้าคุนสอนนั้นอดีตที่ผ่านไปแล้วเห็ุอย่างกระโบไดอนอนาคตที่จะงวม่ทันมาถึงนั้นก็เระใหอย่างบโบไรเพิ่นให้เหตุได้เห็นได้ทําได้ในขณะที่ปัจจุบันนี้ดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้านั้นให้เป็นปัจจุบันมันคิดให้เห็นมันคิดให้รู้มันคิดให้เข้าใจรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกอัสนะมันได นี่เบิ้งที่ตรงนี้เมื่อเบิ้งที่ตรงนี้แล้วมันจะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นหรือว่าเข้าใจเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเป็นทางทันเรื่องง่ายๆบกเกี้เอาล้องกับเงินทองบุกี่ยวาคล้องกับอะไดทั้งหมืดอันนี้มันสมบูรณ์แบบมีเงินร้อยล้านถันล้านซื้อกั บ, บอะไรเรียนขมลู่สูงๆได้จบปเรเอกเดียวกับวาจิลูโบลูโบลูแท้ๆ แต่ว่านคนบ่มีเงินได้บเซีบ่มีเงินการรู้คนมีเงินได้มีเงการรู้บียคนมีความรู้ได้รู้กันคนบ่มีความรู้กับรู้กันเพราะมันคือกันเนี้ยอันนั้นปัญญาอีกอย่างหนึ่งอันนี้ปัญญาอีกอย่างหนึ่งควรศึกษาควรเรียนควรปฏิบัติให้มันรู้สองอย่างนี่ยหนึรู้กับบุรู้ให้มันรู้จริงๆมีเงินการรู้อย่างวะบ่มีเงินการรู้อย่างนี้มันก็สองอย่างเลย มีความหกวงกลัวบุบีคว ม, มห่วงกลัวของจริงมันต้องรู้ทุกคนนี่ให้เขาใจอย่างสั่งการศึกษาปฏิบัติธรรมาน ร, รู้แล้วจะไปใหย้ยังเรียกไปให้ยังแล้วรู้แล้วมืนบุบทุกเนี่ยคนคนคนว่าคนทุกเนี่ยวมคนทุกหัวบุบีทุกเนี่ยเป็นมนุษย์อยู่ด้วยควมทุกเนี่ยและเป็นมนุษย์เป็นคนอยู่ด้วยหัวบุบีทุกนี่นะและพิจิตรชอบอันไหนพิจิตรอบที่ความบีทุกการ มันก็ขาดทุนแล้วคนทําการทํางานไปกับกคนทุกขขาดทุนเสนว่าบบนี้คนทําการทํางานไปกับว่มีทุกข์มันก็ได้กําไรชีวิตแล้วนี่กําไรโบแม่เอาไปซื้อขายกําไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งกาไรอันนี้นี่ที่บต้องการบมดโบได้ลงทุนซื้อมันเนี่ย